ขกระบวนการพัฒนาจิต ธ, ธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ทุกคนต้องการการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขความสบายแต่ในชีวิตประจำวันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่ใจต้องการทำไมถึงเป็นเช่นนี้เมื่อเราอยากได้อยากมีอยากเป็น แต่เมื่อไม่ได้ไม่มีไม่เป็นใจเราก็จะเป็นทุกข์หรือมีปัญหาเมื่อเราได้เรามีเราเป็นใจเราก็จะเป็นสุขหรือปัญหาใจหมดไปชั่วคราวเมื่อไม่ได้ไม่มีไม่เป็นเกิดขึ้นมาอีกก็จะทุกข์ใจเกิดป AH ัญหาใจขึ้นอีกแต่เมื่อเกิดได้เกิดมีเกิดเป็นใจเราก็เป็นสุขหมดปัญหาไปชั่วคราวอีก ใจเราวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้นแล้วสภาพใจที่ดีกว่านี้มีไหมถ้ามีจะเป็นอย่างไรจึงมีคำถามตามตา ม, มาว่าจะทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบร่มเย็นปราศจากปัญหาใจดังกล่าวข้างต้นวิธีอบรมจิตให้จางคลายจากทุกข์มีมากมายหลากหลายประสบการณ์ของผู้ฝึกฝนแต่ละคน แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าเพาเจ้าที่ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกอบรมจิตพบว่ากระบวนการสุดจิตให้จางคลายจากทุกข์หรือคลายจากปัญหาใจประกอบด้วยสามขั้นตอนดังนี้ 1. การสุดจิตเพื่อออกจากทุกระดับเบื้องต้นคือขั้นแรกของการเรียนรู้จิตในด้านรับรู้ความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายสอง การฝึกจิตเพื่อออกจากทุกระดับเบื้องกลางคือฝึกให้เกิดสติหรือตัวรู้โดยรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่ก่อเกิดขึ้นในใจเร า, าการฝึกจิตเพื่อออกจากทุกระดับเบื้องปลายเป็นขั้นฝึกฝนจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมว่าสิ่งทั้งหลายอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น การที่จาแนกวิธีการฝึกอบรมจิตให้การคลายจากทุกข์เป็นสามขั้นตอนนั้นผู้ที่จะฝึกอบรมจิตให้ออกจากทุกข์จะต้องรู้ว่าหนึ่งจิตคืออะไรสสติสัมปชัญญะคืออะไร 3. สมาธิคืออะไรและสี่ปัญญาคืออะไรจิตคือความรู้สึกรับรู้ รับรู้และปรุงแต่งแปลตัวให้ความจำเกิดขึ้นจำและปรุงแต่งแปลตัวให้เกิดความคิดคิดและปรุงแต่งแปลตัวให้เกิดอารมณ์คือจิตที่เสวยทุกข์แล้วหรือมีปัญหาแล้วสติคือสภาพของใจที่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรือกำลังเกิดอารมณ์อะไรอยู่สัำปัญญะ คือการทําความรู้สึกตัวทําให้ตัวเองตื่นขึ้นจากความคิดหรืออารมณ์นั้นๆเพื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติของใจสมาธิคือสภาพของใจที่ตั้งมั่นจะแยกเป็นโลกิยะสมาธิและโลกุตระสมาธิโลกิยะสมาธิคือสภาพที่ใช้สิ่งต่างๆเป็นอุบายวิตกวิจารณ์ เพื่อปรุงแต่งจิตให้เกิดอารมณ์เช่นอารมณ์ปิติอารมณ์สุขและอารมณ์อุเบกขาโลกุตตรสมาธิคือการกาหนดเอาทุกหรือสมุทยัยมาเป็นตัวตั้งในการกระทาเพื่อให้ทุกนั้นจางคลายหายไปเมื่อทุกนั้นจางคลายหายไปใจก็เกิดปิติยินดีสดชื่นผ่องใสขึ้น เมื่อทุกนั้นทำอะไรใจได้น้อยลงไปตามลำดับใจนั้นก็จะมีความสุขสบายมากขึ้นสุขสบายเพราะทุกจางคลายหรือเบาบางลงเมื่อฝึกสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันทุก์รู้เท่าทันสมุทัยจนกระทั่งทุกขนั้นทำอะไรใจไม่ได้หรือที่เรียกว่าใจนั้นว่างเปล่าปราศจากทุกข์สภาพสิตธิ์อย่างนั้นเรียกว่าอุเบกขา หรือการทำจิตให้อยู่เหนือทุกข์ปัญญาคือการอบรมจิตจนรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมธรรมชาติตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติทั้งหลายแม้กระทั่งองค์ประกอบของร่างกายและจิตใจล้วนแล้วอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการสืบเรื่องกันต่อๆไปหามมีใครเป็นเจ้าของไม่ เช่นเมื่อเสียงกระทบหูทาให้เกิดการได้ยินเสียงและหูเป็นเหตุส่วนการได้ยินเป็นผลเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ก็จะทำให้จิตคลายจากการยึดติดยึดถือที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาปรุงแต่งให้เป็นทุกข์หากท่านประสงค์จะฝึกอบรมจิตให้จางคลายจากทุกข์ตามแนวทางนี้ควรหมั่นฝึกฝนตนไปตามลาดับทีละลาดับ จนมีความเข้าใจและความชำนาญในการปฏิบัติสึ่งยังประโยชน์ในการนำไปใช้ดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสุขมีความสบายอย่างแท้จริงตามความประสงค์ เป็นนายกลายเป็นบ่าวจิตคือความรู้สึกรับรู้จิตคือความจำจิตคือความคิดจิตคืออารมณ์จิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวท่านทั้งหลายคงคุ้นเคยกับคติธรรมนี้มาบ้างเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราคิดจะทำอะไรเรามักจะทำตามที่เราคิดเสมอ เวลาเราเกิดอารมณ์อะไรกายเราก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นด้วยถ้าเรารู้จักจิตและสัมผัสจิตของเราได้โดยการฝึกอบรมจิตและหัดควบคุมจิตทั้งสี่ประเภทนี้ให้อยู่ในอำนาจของเราได้ตามความประสงค์ชีวิตเราก็จะสงบร่มเย็นยิ่งขึ้นจิตที่ไม่สบายทุกชนิดเราทุกคนรู้จักดีเช่นความรู้สึกหนักอกหนักใจเครียดฟุ้งซ่าน ไม่ได้ดังใจความวิตกกังวลเหล่านี้เรียกว่าจิตหนักหรือจิตที่ไม่สบายที่ทุกคนไม่ต้องการแต่ความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายคนส่วนมากไม่รู้จักเราจึงต้องฝึกฝนเพื่อให้รู้จักสภาพจิตที่โปร่งโล่งเบาสบายได้ชัดเจนแน่นยําเพื่อเอาจิตดังกล่าวมาตั้งแทนที่จิตที่ไม่สบาย การรู้ตัวรู้ตนหรือการรู้กายรู้ใจตนเองการเรียนรู้กายรู้ใจคือรู้ว่ามีทุกข์หรือไม่มีทุกข์ในกายและในใจต้องใช้หลักสามประการในการพิจารณาดังนี้หนึ่งฐานที่เกิดของทุกข์ 2. การแก้ปัญหาทุกข์และสามวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทุกข์ ฐานที่เกิดของทุกข์ได้แก่กายและใจการแก้ปัญหาทุกข์ทุกกายเช่นการเจ็บป่วยนอกจากหาหมอเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยแล้วยังแก้ไขได้โดยการทำสมาธิสมถะปฏิบัติโดยการสร้างอารมณ์สมาธิฝึกเคลื่อนย้ายจิตจากจุดที่ทรมานไปยังความรู้สึกที่ดีกว่าโดยไม่สนใจความเจ็บปวด เสนเ้นการหมุนนิ้วหรือการเคลื่อนไหวอวัยวะร่างกายแบบต่างๆทุกใจแก้ไขโดยหลักอริยสัจสี่วิธีปฏิบัติโดยหลักอริยสัจสี่คือหนึ่งรู้เท่าทันทุกเพราะทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ถ้าเรารู้สึกว่ากาลังมีทุกเกิดขึ้นในใจเรียกว่าเห็นทุก์เช่นรู้สึกเครียดหรือรู้สึกกังวล รู้สึกอารมณ์เสียก็รู้ว่าเครียดรู้ว่ากังวลหรือรู้ว่าอารมณ์ไม่ดีสองรู้เท่าทันต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือรู้ว่าทุกกาลังเกิดณที่ใดที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายหรือใจเช่นตาเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจรู้สึกหมุดหงิดเรียกว่าทุกเกิดที่ตาหรือการเห็นเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ หูได้ยินเสียงนินทาแล้วเกิดอารมณ์ไม่พอใจเรียกว่าทุกเกิดที่หูหรือการได้ยินเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจเกิดความคิดผุดขึ้นมาแล้วรู้สึกตังบลใจเรียกว่าทุกเกิดที่ใจหรือการคิดปรุงแต่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สามรู้วิธีออกจากทุกข์โดยวิธีการของสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญา คือเมื่อรู้ว่าทุกเกิดขึ้นในใจให้ทําความรู้สึกตัวโดยการเคลื่อนไหวร่างกายหรืออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเรียกว่าการทําความรู้สึกตัวเป็นวิธีปฏิบัติสต้องวัดผลที่เกิดขึ้นในใจได้ด้วยตัวเองพิสูจน์ผลด้วยตัวเองการวัดผลการปฏิบัติโดยสังเกตว่า เมื่อทำความรู้สึกตัวแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจจางลงหรือลดลงตามลำดับจนรู้สึกว่าอารมณ์ของทุกข์ไม่เหลือในใจเรียกว่าทุกข์หายไปจากใจหลักประการที่สามคือการลงมือปฏิบัติได้แก่ฝึกสร้างอารมณ์สมาธิหรือสมถะปฏิบัติและฝึกสติสัมปชัญญะด้วยวิธีปฏิบัติในหลักอริยสัจสี่ กระบวนการพัฒนาจิตกระบวนการพัฒนาจิตประกอบด้วยการฝึกฝนจิตสามขั้นตอนดังนี้ขั้นที่หนึ่งการฝึกฝนจิตระดับเบื้องต้นขั้นที่สองการฝึกฝนจิตระดับเบื้องกลางขั้นที่สามการฝึกฝนจิตระดับเบื้องปลาย ทั้นที่หนึ่งการฝึกฝนจิตระดับเบื้องต้นการฝึกฝนจิตระดับเบื้องต้นประกอบด้วยการผ่อนคลายกายและจิตและการสร้างหลักใจด้วยการสังเกตความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายเป็นการปรับพื้นฐานกายใจเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะปฏิบัติหรือการฝึกสมาธิดังนี้หนึ่งการผ่อนคลายกายและจิต โดยการยืนแยกขาเล็กน้อยให้ถนัดแล้วปล่อยกายปล่อยใจให้อยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายสบายๆไม่เกรง็งประจาน ม, มืออยู่ข้างหน้าพร้อมทั้งทำมือให้เบาและนิ่งเมื่อรู้สึกว่ามือเบาและนิ่งแล้วค่อยๆยกมือขึ้นช้าๆจับความรู้สึกที่มือเบาๆเลื่อนไหวมือขึ้นช้าๆจนกระทั่งถึงระดับหน้าอก จึงค่อยๆพลิกฝ่ามือออกนอกตัวช้าๆและเบาๆและยกมือทั้งสองที่ประสานขึ้นช้าๆและเบาจนสุดแขนอยู่เหนือศีรษะค่อยๆเอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อยจนรู้สึกว่าหน้าท้องตึงพร้อมทั้งกลั้นลมหายใจไว้สักครู่แล้วจึงโน้มตัวกลับให้ตรงพร้อมทั้งหายใจออกช้าๆตามธรรมชาติ และปล่อยกายปล่อยใจสบายบายไม่เกร็งลดมือลงช้าๆเบาๆโดยจับความรู้สึกที่มือที่กำลังเคลื่อนลงช้าๆจนมือถึงหน้าอกแล้วพลิกมือกลับเข้าหาตัวช้าๆพร้อมทั้งลดมือลงอยู่ในท่ามือประสานกันเหมือนตอนเริ่มต้นจิตและกายจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นข้อแนะนํา อย่าจับความรู้สึกที่ลมหายใจคือหายใจให้เป็นธรรมชาติให้จับความรู้สึกที่มือเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเบาๆนิ่งๆอยู่ตลอดเวลาโดยไม่สนใจลมหายใจ การปลกผลจิตระดับเบื้องต้นด้วยการสังเกตความรู้สึกโปร่งโลกงเบาสบายมีสองเทคนิคคือการแกว่งมือและวิธีหมุนนิ้ววิธีแกว่งมือยกมือทั้งสองข้างขึ้นระดับอกทำมือเบาๆแกว่งมือเข้าออกช้าๆเบาๆในขณะระหว่างที่แกว่งมือเข้าออก ให้สังเกตความรู้สึกเบาของมือให้ต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถสังเกตความเบานั้นตั้งอยู่ได้ชัดเจนแล้วจึงหยุดแกว่งมือและสังเกตความรู้สึกเบาสบายว่ายังคงอยู่หรือไม่ถ้าความรู้สึกเบาสบายนั้นหายไปให้มาเริ่มต้นแกว่งมือใหม่ตามลำดับวิธีข้างต้นฝึกฝนบ่อยๆจนชำนาญ หมุนนิ้วเ อ, เอานิา้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แตะกันเบาๆแล้วหมุนเป็นวงช้าๆในระหว่างหมุนน pues ิ้วให้สังเกตความรู้สึกเบาที่นิ้วคือนิ้วที่หมุนจะรู้สึกว่าลื่นหมุนนิ้วให้ต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถสังเกตความรู้สึกเบาคือนิ้วลื่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถสังเกตความเบานั้นตั้งอยู่ได้ชัดเจน หยุดหมุนนิ้วและสังเกตความรู้สึกเบาสบายยังคงอยู่หรือไม่ถ้าความรู้สึกเบาสบายนั้นหายไปให้มาเริ่มต้นหมุนนิ้วใหม่ตามลำดับวิธีข้างต้นปรับใจให้สบายๆโปร่งโล่งเบาสบายให้ต่อเนื่องนานๆด้วยการแกว่งมือเบาหๆหรือหมุนนิ้วจนอยู่ในสภาพผ่อนคลายสบายบายเมื่อสภาพใจผ่อนคลาย โป่งโล่งเบาสบายต่อเนื่องกันนานๆก็จะมีอารมณ์ปิติสดชื่นอิ่มเอิบค่อยๆก่อเกิดขึ้นมาในใจชั่วขณะหนึ่งแล้วหายไปขอให้รักษาสภาพใจที่โปร่งโล่งเบาสบายให้ต่อเนื่องนานๆถ้าท่านสังเกตอารมณ์ปิติหรือสุขหรืออิ่มเอิบที่หายไปแล้วจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกวนเวียนอยู่เช่นนี้ ทำเช่นนี้บ่อยๆจนเกิดความชนานาญท่านก็จะเห็นว่าความรู้สึกทางใจของท่านจะมีอารมณ์ปิติสุขอิ่มเ อ, อิบก่อเกิดขึ้นได้ตามใจนึกการก่ออารมณ์ปิติสุขอิ่มเ อ, อิบให้ก่อเกิดขึ้นในใจทำได้ด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นสรุป ประโยชน์ของการฝึกความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายจนชัดเจนและชั่นานก็คือ 1. เวลาเกิดความรู้สึกเจ็บปวดทางกายก็ให้เปลี่ยนมาอยู่กับความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายแทนความรู้สึกเจ็บปวดทางกาย 2. จะช่วยทําให้ท่านเห็นความคิดชัดเจนขึ้นมีสติรู้ทันความคิดที่ลากทุกมาก็ให้รีบทําความรู้สึกตัว ความคิดที่เป็นทุกข์นั้นก็หายไปหรือลดความรุนแรงขั้นที่สองการฝึกผลจิตระดับเบื้องกลาง การฝึกผลจิตระดับเบื้องกลางเป็นการฝึกสติสัม ป, ปชัญญะให้มั่นคงเพื่อให้รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่เป็นทุกข์ท่านรู้ตัวเองไหมว่าใจกำลังนึกคิดอะไรอยู่ท่านรู้ตัวเองไหมว่าใจกาลังเกิดอารมณ์อะไรอยู่เช่นใจกำลังนึกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ใจกำลังนึกคิดเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้อยู่เช่น ใจเกิดอารมณ์สบายหรือใจเกิดอารมณ์ขุนมัวหรือใจเกิดอารมณ์เสียหงุดหงิดไม่สบายใจตึงเครียดภายในหรือเกิดอารมณ์ทางเพศสัมพันธ์ทุกครั้งที่ท่านรู้สึกตัวว่าใจกำลังนึกคิดเรื่องอะไรอยู่หรือรู้สึกว่าใจกำลังเกิดอารมณ์อะไรอยู่ขอให้ท่านทำความรู้สึกตัวโดยการกระพริบตาแร ง, แรง หรือกำมือแรงๆหรือขยับตัวสักสองสาครั้งท่านจะสังเกตว่าความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่หายไปใจท่านก็จะว่างเปล่าจากอารมณ์เสียอารมณ์เครียดไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมาอีกก็ขอให้ทําความรู้สึกตัวซ้ําอีกหรือเมื่อท่านรู้ตัวเองว่าใจกําลังมีอารมณ์เกิดขึ้น ก็ขอให้ทำความรู้สึกตัวซ้าเช่นเดียวกันความคิดและอารมณ์นั้นจะหายไปใจก็จะว่างเปล่าจากทุกข์อีกความนึกคิดทุกชนิดอารมณ์ทุกชนิดเปรียบเหมือนความฝันที่ก่อเกิดขึ้นมาในใจเมื่อเราปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นโดยการทำความรู้สึกตัวเช่นกระพริบตาแรงๆหรือเคลื่อนไหวอวัยวะร่างกายลักษณะดใดลักษณะนหนึ่ง ความนึกคิดเหล่านั้นหรืออารมณ์เหล่านั้นก็จะหายไปจากใจชั่วขณะหนึ่งเพราะเราทำความรู้สึกตัวหรือปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นความคิดและอารมณ์จึงหายไปอบรมจิตอย่างนี้ฝึกฝนจิตอย่างนี้ให้ชำนาญในชีวิตประจำวันเสมอๆจนกระทั่งจิตมีความตื่นตัวอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งความนึกคิด ที่จะทำให้ใจของท่านเป็นทุกข์หรือมีปัญหาลดลงไปหรือจางคลายหายไปและอารมณ์ที่จะทำให้ใจของท่านขุ่นมัวเศร้าหมองลดลงไปจางคลายหายไปอย่างนี้เรียกว่าฝึกอบรมจิตให้มีสติสัมปชัญญะเมื่อสติสัมปชัญญะมีกำลังเต็มที่คือรู้เท่ารู้ทันความนึกคิดทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจ รู้เท่ารู้ถันอารมณ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจหรือที่เรียกว่ารู้ขณะจิตแห่งตนทุกขณะอย่างนี้เรียกว่ามีสัมมาสติจะทำให้จิตใจมีความตั้งมัน่นดังนั้นทุกทั้งหลายก็จะทำอะไรใจของท่านไม่ได้สภาวะใจของท่านก็จะมีความว่างเปล่าปราศจากทุกสภาพจิตอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสมาสติเป็นเหตุจึงทำให้เกิดผลเป็นสัมมาสมาธิขั้นที่สามการฝึกฝนจิตระดับเบื้องปลายเมื่อท่านฝึกฝนอบรมจิตตนตามขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองจนชำนาญ จิตใจท่านมีสมาสติดีแล้วถูกต้องแล้วรู้เท่ารู้ทันขณะจิตของตนอย่างคล่องแคล่วชัดเจนจริงๆ จ, จนใจตั้งมั่นว่างเปล่าปราศจากทุกหรือรู้ตัวรู้ตนอยู่ว่าทุก์ที่เกิดขึ้นในใจนั้นทำอะไรใจไม่ได้แล้วเพราะมีสติรู้ทันทุกที่เกิดขึ้นขั้นต่อไปเป็นขั้นที่เรียกว่าอบรมจิตเพื่อให้เกิดปัญญา หรือเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติทั้งหลายอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอย่างไรและสิ่งทั้งหลายอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอย่างไรเช่นอารมณ์ทั้งหลายมีความนึกคิดปรุงแต่งเป็นปัจจัยจึงทำให้มีอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์จะเกิดขึ้นเองเลอยลอยไม่ได้ อารมณ์จะต้องมีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดอารมณ์นั้นขึ้นตัว อ, อย่างความไม่สบายใจจะเกิดขึ้นเพราะใจจะต้องนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรสักอย่างทำให้ความไม่สบายใจเกิดขึ้นความเครียดจะเกิดขึ้นได้เพราะใจต้องนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรสักอย่างความเครียดจึงเกิดขึ้นความวิตกกังวล จะเกิดขึ้นได้เพราะใจต้องนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรสักอย่างความวิตกกังวลจึงเกิดขึ้นสภาวะจิตสภาวะธรรมเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเพราะเกิดจากการฝึกอบรมสติสัมปชัญญะจนรู้ขณะจิตแห่งตนอย่างชัดเจนแล้วแต่ถ้าการฝึกสติยังไม่ชำนาญไม่ชัดเจนหรือยังเบลอๆอยู่ ย่อมหมดหวังที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะเข้าใจสภาวะจิตสภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเช่น ความนึกคิดจะเกิดขึ้นเองลอยๆไม่ได้ความนึกคิดจะต้องมีความจำเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นการที่ใจตริตรนึกคิดอยู่นั้นโดยที่เราเคยจำเรื่องอะไรไว้แล้วเอาเรื่องราวที่เคยจาได้นั้นมานึกคิดอีกความจำจึงเป็นปัจจัยทำให้เกิดความนึกคิดขึ้นสิ่งทั้งหลายมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเช่นความจำ จะเกิดขึ้นเองลอยๆไม่ได้ความจำจะต้องมีความรู้สึกรับรู้เป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นคือเราจําเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไปจํามาจากไหนเช่นจํามาจากสิ่งที่เคยเห็นทางตาจํามาจากสิ่งที่เคยได้ยินทางหูจํามาจากสิ่งที่เคยได้กลิ่นทางจมูกจํามาจากสิ่งที่เคยรับรู้รสทางลิ้นจามาจากสิ่งที่เคยรับรู้สึกสัมผัส าาจามาจากสิ่งที่เคยรู้สึกรู้อารมณ์ทังใจดังนั้นความจําจึงมีความรู้สึกรับรู้ทางประตูทั้งหกเป็นปัจจัยทำให้เกิดความจําขึ้นได้เห็นได้ว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเช่นความรู้สึกรับรู้หรือเวทนาทางประตูทั้งหกจะเกิดขึ้นมาเองลอยลอยไม่ได้ จะต้องมีสิ่งมากระทบสัมผัสกับทวารทั้งหกเช่นทางหูจะต้องมีเสียงมากระทบระบบประสาทหูจึงทําให้เกิดการรับรู้ทางเสียงขึ้นหรือที่เรียกว่าเกิดการได้ยินทางตาจะต้องมีรูปมากระทบระบบประสาทตาจึงทําให้เกิดการรู้สึกรับรู้ทางตาขึ้นหรือที่เรียกว่าเกิดการเห็นขึ้นทางใจ จะต้องมีความนึกคิดกระทบใจหรือมีอารมณ์มากระทบใจจึงทำให้เกิดความรู้สึกรับรู้ทั้งใจขึ้นทางประตูอื่นๆก็กระทบท่านองเดียวกันสิ่งทั้งหลายอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันให้เกิดกระบวนการของธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเกิดจากการกระทบกับทวารทั้งห เช่นเสียงกระทบหูทำให้เกิดการรู้สึกได้ยินแล้วจำไว้แล้วเอาสิ่งที่จำไว้มนุษย์คิดปรุงแต่งทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะตากระทบรูปทำให้เกิดการรู้สึกเห็นแล้วจำไว้แล้วเอาสิ่งที่จำไว้มนุษย์คิดปรุงแต่งทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะ มันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่อย่างนี้ตลอดเวลาที่มีการกระทบถ้าเราไม่มีสติสัพชัญญะเข้ามากำกับแต่ถ้าเราฝึกผลนจิตจนจิตมีสัมมาสติและสัมมาสมาธิถูกต้องเราจะรู้เห็นและเข้าใจในกระบวนการเกิดตามธรรมชาติของทุกขที่เกิดขึ้นในใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งละเอียดลึกซึ้งไปตามลาดับใจเราก็จะรู้ว่า สิ่งทั้งหลายที่อาศัยกันเกิดขึ้นหามมีใครเป็นเจ้าของไม่อย่างนี้เรียกว่าฝึกอบรมจิตจนเกิดมีปัญญาหรือที่เรียกว่าเกิดสัมมาญาณ